ลำดับชั้นคำภีร์ทางพระพุทธศาสนาแม้ว่าพระไตรปิฎกจะนับว่าเป็นคำภีร์สําคัญและเป็นหลักฐานทางพระพุทธศาสนาแต่ก็มีคำภีร์อื่นอีกที่เกี่ยวข้องด้วยจึงควรทราบลำดับชั้นคำภีรทางพระพุทธศาสนาไว้ดังต่อไปนี้ 1. นึ่งพระไตรปิฎกเป็นหลักฐานขั้นหนึ่งเรียกว่าบาลีสอง คำอธิบายพระไตรปิฎกเป็นหลักฐานขั้นสองเรียกว่าอัฏฐกถาหรือวันนานาสาคำอธิบายอัฏฐกถาเป็นหลักฐานขั้นสามเรียกว่าดีกา 4. คำอธิบายดีกาเป็นหลักฐานขั้นสี่เรียกว่าอนุดีกานอกจากนี้ยังมีคำพีที่แต่งขึ้น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 คอธิบายพระไตรปิฎกอย่างย่อๆของพระอัฏฐกถาจารย์ท่านผู้อ่านได้ทราบแล้วว่าคําอธิบายพระไตรปิฎกเรียกว่าอัฏฐกถาจึงควรทราบต่อไปว่าท่านผู้แต่งตำราอัฏฐกถานั้นเรียกกันว่าพระอัฏฐกถาจารย์เฉพาะคําว่าพระไตรปิฎกนี้มีคาอธิบายย่อๆของพระอัฏกถาจารย์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 เป็นทิฏฐิวินิเวศนกคาคือถ้อยคำที่สอนให้ผ่อนคลายทิฏฐิคือความเห็นผิดอภิธรรมปิดกเป็นนามรูปบริเชษทธกถาคือถ้อยคำที่สอนให้กำหนดนามและรูปคือร่างกายจิตใจ 4. วินัยปิดกเป็นอธิศินสิกขาคือข้อศึกษาเกี่ยวกับอธิศินคือศินชั้นสูง